เรื่องเล่าผีหลอนตอนทางลัดผีหลอกสมัยคุณย่าเป็นสาวเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณย่าได้พบเจอมาแล้วนํามาถ่ายทอดให้กับคุณจ้าจาได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายสิปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยคุณย่านั้น ยังมีอายุเพียงแค่15ปีวันนั้นมีงานเทศกาลที่ต่างอำเภอคุณย่าของคุณจา้าจ๋าชื่อว่าน้อยแล้วก็มีพี่สาวคุณย่าชื่อว่านางทั้งสองคนนั้นก็ได้นัดกันกับเพื่อนๆอีกประมาณ9คนกะว่าจะไปเที่ยวงานด้วยกันในสมัยนั้นยังไม่มีรถยนต์มีเพียงแค่เกวียน บ้านไหนที่มีเกวียนก็ถือว่าหรูแล้วส่วนมากไปไหนมาไหนชาวบ้านก็มักจะใช้การเดินเอาคุณย่ญญาอาบน้ำแต่งตัวตั้งแต่ห้าโมงเย็นนั่งรอเพื่อนๆนมารับพอเพื่อนทุกคนมาพร้อมหน้ากันก็ออกเดินทางในมือนั้นก็ถือตะเกียงไปกันคนละอันแต่ไม่ได้จุดเนื่องจากว่าเป็นคืนเดือนงาย ที่สามารถเห็นทางได้ชัดเจนแค่เอาไปกันไว้เฉยๆเท่านั้นระยะทางจากบ้านของคุณย่าไปถึงหมู่บ้านงานนั้นก็ห่างกันราวๆ10บกิโลเมตรก็เลยมีหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มเสนอว่าไปทางลัดกันดีกว่าทางลัดเดินแค่ประมาณ7กิโลเมตรเองคนในกลุ่มก็ตกลงแล้วพากันเดินลัดทุ่งไป เดินกันไปคุยกันไปจนฟ้านั้นเริ่มจะมืดย่าก็บอกว่าน่าจะใกล้ถึงงานแล้วแต่ว่าพี่สาวของยา่าที่ชื่อว่าย่านางนั้นอเผอิญเกิดปวดท้องเบาขึ้นมาก็าเลยชวนย่าไปเป็นเพื่อนก่อนที่จะแยกไปนั้นแฟนของย่านางก็ได้แซวสองสาวว่าไปกันสองคนระวังผีหลอกนะแต่ย่ากับพี่สาวของยา่า ก็ไม่ได้สนใจรีบเดินไปทําธุระส่วนตัวพอทาธุระเสร็จยา ก, ก็พากันเดินออกมาแฟนของย่านางก็มาแอบอยู่หลังต้นไม้พอทั้งคู่เดินมาถึงแฟนของย่านางก็กระโจนออกมาหลอกคุณย่าทั้งสองเห็นเข้าก็ตกใจนึกว่าผีเพื่อนทุกคนที่ยืนรออยู่นั้นได้ยินเสียงร้องคริตจากย่าทั้งสอง ก็รีบวิ่งมาดูพอย่านางเห็นว่าคนที่แกล้งนั้นเป็นแฟนตัวเองก็เลยดุเอาว่ากลางคืนทำแบบนี้มันไม่ดีคนเท่าคนแก่เขาถือนะพูดจบยังไม่ทันที่ทุกคนในกลุ่มจะก้าวเท้าเดินทางต่อประสาทหูของทุกคนในกลุ่มก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้พร้อมกันนั้นก็ยังมีเสียงฝีเท้า กำลังเดินย่ำใบไม้แหง้งใกล้เข้ามาทุกขณะและคนในกลุ่มนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่เดินลัดทุ่งมาเหมือนกันทุกคนหยุดเดินอยู่ครู่เดียวก็ได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งผมยาวกำลังอุ้มเด็กเดินโผล่เข้ามาใกลๆหน้าตาดุมากเหมือนกับว่าโกรธใครมากในกลุ่มนั้นหญิงสาวที่กำลังอุ้มเด็กนั้น เดินเข้ามาใกล้ๆทุกคนแล้วหยุดเดินจากนั้นก็ตะวาดใส่หน้าทุกคนว่าพวกเองเสียงดังจนทำลูกข้าตื่นย่านางเห็นเหตุการณ์แบบนั้นก็เริ่มกระเถิบตัวเข้าไปใกล้ๆย่าน้อยแล้วก็หยิกที่แขนแรงมากกระซิบกับย่าน้อยให้ดูที่เท้าของผู้หญิงคนนั้น่าได้ยินแบบนั้นก็รีบก้มลงมองดู ที่เท้าของผู้หญิงคนที่กำลังอุ้มลูกอยู่นี้เท้าของเธอไม่ติดผืนเธอกำลังยืนลอยอยู่กลางอากาศแล้วจูๆ่ๆก็มีเพื่อนหนึ่งในกลุ่มที่ในมือนั้นได้ถือตะเกียงที่จุดไฟอยู่แล้วยกขึ้นมาดูอย่าคิดในใจว่าคนที่จุดตะเกียงนั้นน่าจะเห็นเหมือนกัน ว่าเท้าของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ติดอยู่กับพื้นพอมีแสงไฟจากตะเกียงรรสัดส่องทั่วบริเวณนั้นทุกคนก็ได้มองเห็นถนัดชัดเจนว่าใบหน้าและตัวของผู้หญิงคนนั้นมีสีเขียวเขียวม่วงๆ่วงและสภาพร่างกายของเธอก็กําลังอยู่ในลักษณะที่กําลังอืดเต็มที่ตอนนั้นทุกคนทั้งกลุ่ม เหมือนกับติดอยู่ในภวังได้แต่ยืนดูผู้หญิงอุ้มลูกคนนั้นไม่สามารถขยับตัวได้แล้วจูๆ่ๆเสียงเด็กร้องก็เริ่มดังขึ้นเสียงนั้นแหลมเล็กจนแสบแก้วหูมีเพื่อนคนหนึ่งน่าจะทนไม่ไหวตะโกนดังขึ้นมาว่าวิ่งแค่นั้นเองทุกคนก็พากันวิ่งหนีตายไปคนละทิศละทาง คุณย่ญญานั้นได้แผลลึกแล้วก็ยาวเกือบคืบเดินต่อไปไม่ไหวแล้วพอดีก็มีผู้ชายกลุ่มเดียวกันมาเจอเข้าก็เลยแบกขึ้นหลังไปด้วยพอทุกคนไปถึงหมู่บ้านที่มีงานนั้นก็เจอเพื่อนอีกหลายคนที่มาด้วยกันทุกคนนั่งรออยู่แล้วทุกคนก็เริ่มคิดว่าแล้ววันนี้จะกลับบ้านกันยังไง แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะไปขอให้นายบ้านนั้นเป็นคนไปส่งนายบ้านก็ได้ไปตามเกวียนมาอีกสามเล่มพาทุกคนไปส่งถึงบ้านพอไปถึงพี่สาวยากับยาก็กินยาต้มเอายาใส่แผลแล้วก็นอนตกกลางคืนในคืนนั้นคุณยาก็ฝันในความฝันนั้นเป็นความฝันที่เหมือนจริงมาก ย่าฝันว่าเพื่อนคนหนึ่งของพี่สาวที่ชื่อว่าเกลียงมายืนเรียกพี่สาวของย่าอยู่หน้าบ้านแล้วพี่สาวของย่าก็เดินออกไปหาทั้งหมดนั่งคุยกันอยู่ที่ใต้ถุนเพื่อนของพี่สาวย่าที่ชื่อว่าเกลียงนั้นก็บ่นออกมาว่าเป็นอะไรไม่รู้เจ็บไปทั้งตัวเลย พูดไปก็ชี้ให้ดูรอยจำจแดงๆตามตัวแล้วยากเกลียงก็พูดอีกว่าเจ็บมากเหมือนจะไม่สบายพรุ่งนี้ไปเยี่ยมข้าหน่อยอยากเกลียงพูดแค่นั้นแล้วก็เดินหายไปเช้าวันต่อมาคุณย่าก็ได้ยินข่าวการตายของอยากเกลียงทุกคนนั้นต่างตกใจจนลืมคิดไปว่า อยากเกลียงเองนั้นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไปด้วยกันแต่ตอนกลางคืนนั้นอยากเกลียงหายไปอยากเกลียงไม่ได้ไปโผล่ที่บ้านงานแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับมาด้วยกันไปตามดูที่บ้านก็ไม่พบเจอตัวอยากเกลียงหลายคนก็เลยช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งมีคนไปพบอยากเกลียงติดอยู่ในดงหวายโดนหนามต่ำทั้งตัว ยาเกลียงนั้นทนความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นใจตา ย, ตายลงก่อนที่จะถึงบ้านที่จัดงานในบ้านพอรู้ข่าวก็เลยมาถามกับยาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นยาก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้นายบ้านฟังนายบ้านจึงพูดขึ้นมาว่าพวกเองไม่รู้หรือว่าทางนั้นไม่มีใครเขาเดินผ่านกันนานแล้ว ขนาดกลางวันแสกๆมันยังหลอกเลยแล้วนายบ้านก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าที่บริเวณนั้นเคยมีสองผัวเมียที่เพิ่งจะแต่งงานได้ไม่นานไปอาศัยอยู่ฝ่ายเมียนั้นตั้งท้องอ่อนๆมีอยู่วันหนึ่งผัวได้ลงไปจับปลาที่บึงข้างบ้านแล้วเผอิญทางฝ่ายเมียก็เกิดปวดท้อง จึงเดินเข้าป่าไปเพื่อไปทาธุระฝ่ายผัวเห็นเมียหายไปนานก็เลยเดินเข้าไปดูก็เห็นเมียของตัวเองนั้นถูกงูกัดตายหลังจากทาพิธีศพเสร็จเรียบร้อยผีก็เฮี้ยนหนักจนตัวของผัวเองก็อยู่ต่อไม่ได้นายบ้านก็เล่าต่อว่าฝ่ายผัวเล่าให้ฟังว่าหลังจากเมียตายได้ไม่กี่คืน ขณะที่เขากำลังหลับอยู่กลางดึกก็ตื่นขึ้นมาเห็นเมียที่ตายไปแล้วมานอนจ้องหน้าอยู่ข้างๆแล้วก็ส่งยิ้มให้ใครจะไปอยู่ไหวผัวจาต้องทิ้งบ้านให้กลายเป็นบ้านร้างเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆ